สวัสดีครับเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าของปู่มีในตอนที่สองซึ่งหากว่าท่านใดยังไม่ได้ฟังในตอนแรกสามารถย้อนกลับไปฟังในคลิปก่อนหน้านี้ได้เลยครับหรือเพื่อความสะดวกผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ด้านล่างให้นะครับส่วนท่านใดที่สะดวกที่จะฟังเรื่องเล่าของปู่มีในตอนที่สองเลยก็ไม่ว่ากันเรื่องเล่าที่ท่านจะได้ฟังต่อจากนี้ไป ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่าความทรงจำในวัยเด็กของผมที่เกี่ยวกับปูม่มีและเรื่องเล่าที่ผมจะเล่าให้ท่านฟังต่อจากนี้ผมขอตั้งชื่อเรื่องว่าแขกขายมุง้งเรื่องนี้เป็นเรื่องของแขกขาวคนหนึ่งครับแกมีอาชีพขายมุง้งแกชื่อว่าคาลิปประมาณนั้นนะครับเท่าที่ผมฟังจากสำเนียงที่เขาเรียกชื่อของตัวเองแกพูดไทยชัดเลยเพราะว่าอยู่เมืองไทยมาหลายปีแล้ว แกมาจากไหนก็ไม่มีใครทราบได้เพราะว่าอยู่ๆแกก็มาอาศัยอยู่ห้องเช่าท้ายตลาดของยายประนอมเพื่อนในแก๊งของยายผมนี่แหละครับยายผมเรียกไอ้แขกคนนี้ว่าไอ้กระติบคนอื่นๆก็พากันเรียกชื่อนั้นตามยายของผมก็อย่างที่บอกไปนั่นแหละครับบางกระติบมีอาชีพขายมุ้งแต่ว่าไม่ได้ขายมุ้งแกขายมุ้งเป็นอาชีพบางหน้าเท่านั้นแต่อาชีพหลักของแกก็คือการทาของ คนเล่นกลอะไรสักอย่างประมาณนี้ที่ชอบไปตามหมู่บ้านในต่างจังหวัดแล้วมาดูดวงให้คนผมเคยเห็นตอนบางแก่มาใหม่ใหม่บางแก่ก็เคยมาดูดวงที่บ้านยายของผมช่วงตอนบ่ายๆถ้ายายผมไม่ได้ไปวัดก็จะมีแก๊งใหญ่ๆในหมู่บ้านมาตั้งวงเคี้ยวหมากกันเพราะบ้านยายของผมนั้นปลูกพลกูพวกคนแก่ก็จะหิ้วหมากกันมาเองแล้วมากินพลูฟรีที่บ้านยายของผม แกง๊งยายๆจะชอบเข้าวัดครับถือศีลวันพระอะไรแบบนี้เรื่องดูดวงพวกแกก็เลยไม่ค่อยจะสนใจเพราะว่าหลวงตานั้นห้ามอยู่บ่อยๆตอนบังไม่อยู่ใหม่ก็มาดูดวงให้แก๊งยายของผมครั้งแรกก็ว่าจะดูให้ฟรีจากที่ไม่ค่อยสนใจแก๊งยายก็เลยยินดีได้ยินว่าฟรีก็เอาสิครับเหมือนกับสาวๆสมัยนี้เห็นของเซลยังไงอย่างนั้น การดูดวงของบางกระติบก็ไปเรื่อยล่ะครับขอวันเกิดมาทํานายมีเล่นกลให้ยายฉีกระดาษเป็น3ชิ้นแล้วก็รับมาไายมลนให้กระดาษติดกันแล้วเอากระดาษมาเขียนเลข10ตัวแล้วก็บอกว่าอย่าให้ใครเห็นแล้วบางแกจะทายโดยใช้ตาทิปดูว่ายายเขียนเลขอะไรก็ประมาณนี้แหละครับมลคาถาของบางแกไปไปมาๆก็หลอกยายว่าจะให้หวยให้เลขถ้ามีค่าครูข่าวิชา พวกยายๆก็สนใจแล้วก็ถามว่าเท่าไรเกก็บอกยายว่า5000ันบาทเท่านั้นแหละครับยายเอาตะกายเช่นหมาคว้างหัวแล้วด่าเลยโคตรแม่งเลยกูซื้อหวยห้าบาทจะเอาค่าครูกู 5, ห้0พันเฮ้ยผมดูไปก็นั่งขำจะเป็นจะตายนับตั้งแต่วันนั้นมาบางกระติบก็ไม่กล้ามาบ้านยายผมอีกเลยแต่ก็จะตระเวนหลอกคนไปเรื่อยๆตามหมู่บ้านหรือต่างจังหวัดไกลๆ ไม่กล้ามาดูให้คนในหมู่บ้านเพราะว่าชาวบ้านจับไตก็ได้หมดแล้วแต่หลังจากวันนั้นบางกระติบแกก็อยู่ได้อีกเกือบปีครับแล้วแกก็ตายการตายของบางกระติบไม่รู้ว่ามาจากสาเหตุอะไรแกนอนหลับแล้วก็ตายไปเฉยๆยายบอกผมว่าไหลาตายทีนี้ก็มีปัญหาครับเพราะว่าไม่มีใครรู้ว่าแกเป็นควศาสนาอะไรกันแน่ คิดว่าไม่น่าจะใช่อิสลามนะครับเพราะว่าแกกินหมูด้วยบางทีก็ไปกระดกเหล้าตามซุ้มยดองแล้วก็ไม่มีใครรู้ประวัติที่แท้จริงของแกญาติพี่น้องของแกก็ไม่มีใครรู้จักสุดท้ายไปไหนไม่รอดก็ต้องเอามาไว้ที่วัดนั่นแหละครับรเผอิญว่าช่วงนั้นคนสําคัญที่อยู่ในวัดไม่มีใครอยู่เลยยายบอกว่าจเจ้าอาวาดลงไปกรุงเทพไปรับสมณศักดิ์พระเปรียนหลวงตาสีก็ไปกับเขาด้วยและที่สําคัญ ปูมีพระเอกของเรื่องนี้ก็ไปกับเขาด้วยเพราะว่าหลวงตาให้ไปเป็นคนถือเงินการเดินทางนั้นก็คือการนั่งรถไฟครับไม่รู้ว่าไปนานเท่าไหร่มีการเชิญลุงสับเปลอือจากอำเภอมาให้ช่วยทําศพให้แต่ลุงสับเปลือก็เมามาไม่ได้ก็เลยส่งหลานชายมาทําแทนหลานชายแกก็ดีดีเอาบังกระติปใส่ในโลชื่เฉยเลยแล้วก็กลับบ้านไปพ่อหญ่แม่ใหญ่ คนเฒ่าคนแก่ที่อยู่ก็ไม่รู้ว่าจะจัดการกันยังไงเลยเอาไปเผาที่เชิงตะกอนท้ายวัดซึ่งตอนนั้นทางวัดยังไม่ได้ทำการสร้างเมูุนะครับบังแกตายตอนเช้าแล้วก็เผาวันตอนเย็นเลยเช้าวันต่อมาก็ไปดูปรากฏว่าศพไม่ไหม้ครับเป็นตัวดำๆทั้งตัวเขาก็เผาใหม่เช้าวันที่สองมาดูก็ไม่ไหม้อีกชาวบ้านเขาก็เลยบอกกันว่าบังคงจะเป็นคนศาสนาอื่นในเมื่อเผาไม่ไหม้ นั่นก็เปลี่ยนเป็นการฝังเลยก็แล้วกันเย็นวันที่2ก็เลยเอาบางกะติบไปฝังไว้ที่ป่าช้าท้ายวัดซึ่งอยู่ไม่ห่างจากกุฏิที่ปู่มีอยู่เท่าไหร่หรอกครับพอวันที่3หลังจากเอาบางกะติบไปฝังไว้ท้ายวัดยายประนอมเจ้าของห้องเช่าก็จําเป็นจะต้องขนของบางไปทิ้งเพื่อจัดการพื้นที่คนในหมู่บ้านก็ไปช่วยกันหลายคนครับที่นี้จะขนของไปทิ้ง มันก็จะมีมุ้งอยู่ได้การสิบหลังที่บางแกขายแต่จริงๆก็ไม่ได้ขายแล้วนะครับซึ่งสภาพมันยังดีอยู่จะทิ้งชาวบ้านก็เสียดายชาวบ้านเลยยกมือไหว้บางแล้วบอกว่าขอมุ้งนี้ไปใช้แต่ยายผมแกบอกว่าแกไม่เอาแกบอกว่ามุ้งของเรามันยังดีอยู่จริงๆแล้วอ่ะผมอยากจะได้มุ้งใหม่มากเพราะว่ามุ้งที่ยายแกบอกว่ายังดีอยู่แกเอาถุงแกงมามัดไว้ผมนับดูแล้วเกือบ30จุกนะครับ และเรื่องราวหลังจากนี้ไปบางกระติปเกก็มาทวงมุ้งของเกยคืนคืนวันที่สามหลังจากบางตายทุกคนก็ได้สมบัติของบางกระติปไปนั่นก็คือมุ้งเอาไปครอบครองแล้วคิดว่าจะได้นอนอย่างเป็นสุขแต่ก็เปล่าเลยรายแรกที่โดนดีก็คือลุงอีทแกเป็นช่างตัดผมครับแต่จริงๆก็มีหลายรายแหครับที่โดน แต่ผมจําได้แค่ลุงอิดเพียงคนเดียวลุงอีดเป็นหนุ่มโสดครับอาศัยอยู่คนเดียวเกาเป็นหนุ่มใหญ่นะฮะพอมีอายุเยอะแล้วเกาเล่าให้ฟังว่าเกาได้มุ้งใหม่มาเกาก็าม้วนมุ้งเก่าเลยครับเตรียมจะไปเผาไฟทิ้งในตอนเช้าแล้วก็กางมุ้งใหม่ใช้งานทันทีเพราะว่าไม่ต้องซักเพราะว่ามันอยู่ในถุงพลาสติกก็ตั้งใจเอาไว้ว่าจะนอนตั้งแต่หัวค่ํากับม้งใหม่ซักเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งเห็นจะได้ แกบอกว่าแกรู้สึกเหมือนมีคนมากระซิบข้างๆมุงว่าเล็มหนวดให้หน่อยแกก็บอกว่าแกนึกว่าแกฝันไปแกก็เลยตอบกลับไปว่าจะมาตัดอะไรตอนนี้พรุ่งนี้ค่อยมาไหมแต่ว่าเสียงนั้นก็ยังพูดวนซ้าไปซ้ำมาอยู่หลายครั้งครับเลมหนวดให้หน่อยตัด หนนอยยววดาลพูดจนลงอีทลำคาญครับเกก็เลยบอกไปว่ามางั้นเอาหนวดเข้ามาในมุ้งเนี่ยเดี๋ยวกูจะตัดให้เพียงเท่านั้นแหละครับแกบอกว่าแกก็สะดุ้งตื่นขึ้ น, นมาทันทีเลยเพราะว่าแกจําได้ว่าคนที่จะมาเล็มหนวดหรือตัดหนวดเนี่ยมีแค่บางกระติบคนเดียวเท่านั้นที่มาใช้บริการเพราะว่าคนอื่นๆนั้นเขาจะตัดหนวดกันมาตั้งแต่ที่บ้านครับมาที่ร้านก็เพียงแค่เพื่อตัดผม พอแกรู้สึกตัวแกบอกว่าตรงรูเล็กๆตามมุ้งตรงปลายเท้าอะครับมีเส้นหนวดยื่นเข้ามาครับเท่ทุกรูเลยเข้ามาเกือบจะครึ่งมงุ้งแล้วก็มาสะกิดแกแกเลยแหกปากร้องรั่นเลยครับแล้วแกก็นึกถึงหลวงตาขอให้หลวงตาช่วยพอนึกได้เท่านั้นแหละครับหนวดก็หดกลับไปอย่างรวดเร็วแต่มันยังไม่จบเท่านั้นนะครับแกบอกว่าบางกระติปเนี่ยเอาหน้าเข้ามาแนบมุ้งแล้วพยายามดันหน้าเข้ามาแต่เข้ามาแค่หัวนะครับ แล้วก็แลบลิ้นยาวแล้วก็เลียรอบมุ้งเลยครับปากก็บอกว่านี่มันมุ้งของฉันทําไมเอามาคืนหลวงตาก็ช่วยได้แค่คืนนี้และพอเช้ามาเท่านั้นแหละครับลุงอีทถึงกับต้องขนเอามุ้งไปคืนที่ห้องเช่าท้ายตลาดกันเลยวันนั้นวันเสาร์ผมก็ไปตลาดกับยายพอดีผมเห็นลุงอีสแกนั่งร้องไห้อยู่กลางตลาดครับ แตก็ไม่ได้สนใจอะไรพราคิดว่าแกเมาบา่บายมาลุงอีทก็มาหายายที่บ้านครับกับแก๊งคนเฒ่าคนแก่ผมก็นึกขำในใจครับเพราะว่าเมื่อเช้าแกยังผมตกปกไหลอยู่เลยแต่ทําไมบ่ายมาลุงอีทถึงตัดผมแปลกๆจนยายต้องบอกว่าแม่แ ม, แมหัวโกรธเลยนะตา อ, อีทแล้วแกก็เล่าเรื่องที่โดนผีหลอกให้ยายกับคนแก่ฟังผมถึงเข้าใจว่า ลุงอีดผมร่วงเพราะโดนผีหลอกนั่นเองคืนที่4ที่ห้าคนที่เอามุ้งไปก็เจอในทำนองเดียวกันนี้จนต้องเอามุ้งไปคืนกันจนหมดแต่ว่าเรื่องมันก็ยังไม่หยุดอยู่เพียงแค่นั้นครับมีคนบอกว่าเห็นบางกระตีบมาให้เห็นเป็นตัวเป็นเป็นเลยก็มีมาซุ้มยาดองมาขอแบบเดิมจนซุ้มยาดองเนี่ยต้องปิดหนีไปเลยแต่ว่าก็มีคนเจอไม่มากนักหรอกครับคนเชื่อก็มีเพราะโดนกับตัวเองคนไม่เชื่อก็มีเพราะว่าไม่ได้เห็น ผมก็เป็นคนที่เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งครับแต่ก็ฟังฟังไปเพราะว่ามันสนุกดี อ, อ๋อผมลืมเล่าไปอีกคนนึงครับลุงอีทช่างตัดผมแกโดนบางกระตีบมาทวงมุ้งคืนเป็นคนแรกเลยแต่ก็มีอีกคนครับที่โดนแต่ไม่แน่ใจนะครับว่าใช่บางกระตีบมาหลอกหรือเปล่าคนคนนั้นก็คือยายของผมเองครับย้อนหลังกลับไปก่อนบางกระตีบตายได้ไม่นานนักพอดีว่ายายผมมีเวลาว่างๆอยู่ ก็ไปทําไร่ทําสวนครับปลูกข้าวโพดปลูกสลันแหน่ปลูกบวบแต่ว่าก่อนที่จะปลูกบวบมันก็มีเหตุครับคือยายผมเนี่ยแกหว่านข้าวโพดกําลังขึ้นงามๆเลยผมเด็กๆ ก, ก็ไปโรงเรียนครูสอนว่ากลับมาบ้านให้ช่วยผู้ปกครองทํางานบ้านบ้างผมก็กลับบ้านมาบอกยายว่าคุณครูให้ช่วยตอนนั้นยายผมก็ยุ่งๆอยู่ครับกําลังทํากับข้าวอยู่ไม่มีเวลาจะสอนให้ผมทําอะไรหรอกครับ แกก็บอกว่าถ้าอยากจะช่วยก็ให้ช่วยไปถอนหญ้าในไร่ให้หน่อยพอดีด้วยความที่ผมเป็นเด็กครับตอนนั้นผมเลยแยกไม่ออกว่าอันไหนเป็นต้นหญ้าอันไหนเป็นต้นข้าวโพด ท, ที่มันกำลังขึ้นก็เลยเล่นถอนหมดเกือบ10แปลงได้เลยครับยายมาเห็นลมแทบจับครับไล่ตีผมเกือบตายสรุปว่าข้าวโพด ท, ที่กำลังจะขึ้นก็บรรลัยหมดเลยครับยายก็เลยต้องมาปลูกบวบแทนพอบวบมันกาลังขึ้นงามๆครับมันก็จะเป็นเถา เราก็ต้องทํานั่งร้านเพื่อให้บวบขึ้นไปพันพอมันออกลูกมันก็จะห้อยลงมายายก็จะเอาถุงทรายเอาขวดกระทิงแดงไปผูกรถถั่วมันไว้ให้ฝักมันยา ว, ยาวพอฝักมันยาวสวยเวลาที่เราเอาไปขายมันก็จะได้ราคาดีบางกระติบก็มาตายช่วงนั้นพอดีครับจําได้ไหมครับที่บอกว่าเอาศพไปฝังไว้ที่ป่าช้าท้ายวัดหลังจากที่ลุงอีทโดนหลอกมาได้ 2-3 วันเนี่ยยายผมก็ทํานั่งร้านปลูกบวบ ก, ก็เลยต้องไปตัดไม้ แกก็แบกอีโต้ไปตัดไม้ริมรั้วนอกเขตวัดแถวๆป่าช้าที่บังกระตีบถูกฝังเอาไว้ไม้ที่จะไปตัดเนี่ยก็จะเป็นไม้กระถิ่นที่ฝักยาวเขียวๆแบบยืนต้นนะครับไม่ใช่ว่าเป็นแบบกรถินต้นเล็กๆแกก็ออกไปตัดสักประมาณ5้าถึงหกโมงเย็นได้ช่วงนั้นเป็นหน้าหนาวครับก็จะมืดไวหน่อยแกตัดเสร็จแกก็ผูกเป็นมัดๆเอาไว้กะว่าพรุ่งนี้เช้าค่อยมาแบกเอาตอนที่แกเตรียมตัวจะกลับเนี่ยแกเล่าให้คนอื่นฟังว่า ต้นไม้ท้ายวัดมันก็จะสูงสูงแกอยู่นอกวัดครับไม้ที่ตัดก็เป็นไม้นอกเขตวัดพอมองข้ามรั้ววัดไปเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นป่าช้าแกบอกว่าแกเห็นยอดไม้ของต้นไม้ต้นหนึ่งเนี่ยที่อยู่ใกล้ๆหลุมฝังศพของบังกะทิบมันสั่นๆครับสั่นอยู่ต้นเดียวเลยต้นอื่นไม่สั่นนึกแล้วแกก็แปลกใจก็เลยมองขึ้นไปตอนแรกแกนึกว่า ง, งูครับช่วงนั้นก็เป็นช่วงเวลาที่ใกล้จะมืดพอดี แกบอกว่าแกเห็นเป็นร่างคนครับเอาขาเกี่ยวกิ่งไม้ไว้แล้วก็ห้อยหัวลงมาแล้วก็ขยมขยมขยมจนใบไม้เนี่ยร่วงเต็มไปหมดเลยเห็นแค่นั้นแกก็รู้แล้วว่าไม่ใช่คนแต่ยายผมเป็นคนไม่กลัวผีนะครับแกก็ยืนดูซิว่ามันจะทําอะไรพอร่างนั้นเหมือนจะเห็นว่ายายกำลังยืนดูอยู่มันก็กระโดดแบบห้อยหัวครับแต่ว่าเอาขานั้นเกี่ยวแทนมือกระโดดข้ามไปมาต้นใกล้ๆจนเกือบจะถึงยายแล้วครับ แต่ว่ามันกระโดดข้ามเขตกำแพงวัดไม่ได้ครับก็เลยหล่นลงมาที่พื้นยายจากที่ไม่กลัวก็เกิดอาการหวั่นหวันขึ้นมาอยู่บ้างนะครับหลังจากที่ผมฟังน้ำเสียงแกเล่านะครับแล้วไอ้เงาที่ว่านั้นมันก็กลับขึ้นไปใหม่แต่ว่ามันไม่ได้ปีนกลับไปเหมือนคนปกติปีนต้นไม้กันนะครับยายว่ามันเดินเอาเท้าเหยียบลำต้นของต้นไม้กางแขนออกในลักษณะลำตัวตั้งฉากกับต้นไม้ครับแกเห็นมันโชว์ขนาดนั้นแกเลยรีบกลับบ้านเลย วันต่อมาแกก็มาเล่าให้เพื่อนๆแกฟังผมก็นั่งฟังไปด้วยครับแกว่าไอ้กระติปมันหลอกแกแต่ผมก็คิดในใจจากที่ผมฟังดูอาจจะไม่ใช่บังกระติปก็ได้นะครับเพราะว่าในป่าช้าฝังคนมาเท่าไรต่อเท่าไรแล้วบังกระติปอาจจะเป็นแพะรับบาปในเรื่องนี้ก็ได้แล้วอีกอย่างบังกระติปกลัวยายอย่างกอะไรดีไม่น่าจะกล้ามาหลอกยายหรอกครับพอเล่าเสร็จไอ้ผมก็เป็นคนปากไวก็เลยถามยายไปว่า ยายยายแล้วมีดอีโต้ยายไม่ได้เอากลับมาด้วยเหรอคนทั้งวงนั่งเงียบกิบเลยครับยายหันมามองหน้าผมอย่างช้าช้าเช็ดน้ำหมากที่ติดปากอยู่นิดนิดผมเห็นยายแมวเพื่อนของยายผมทํามือคล้ายๆจุ๊กจุอยู่ข้างหลังของยายผมผมก็รู้สึกแปลกๆนิดๆแล้วละครับแล้วยายผมก็บอกมาว่าเออว่ะกูลืมไปเอาให้หน่อยสิบันไลแล้วครับความซวยมาตกที่ผมในทันใด แต่ผมมันเป็นคนกลัวผีชนิดขั้นสุดเลยครับผมก็ไม่ยอมไปหรอกผมก็เลยไปจ้างไอ้โทนเพื่อนของผมที่มันเป็นเด็กวัดนะครับให้มันไปเอาให้มันก็ดีดีครับ5บาทก็ยอมไปสรุปว่าวันต่อมาไอ้โทนก็โดนบางกระติบหลอกครับเขาเล่ากันว่าบางกระติปลุกขึ้นมาจากหลุมเลยครับแล้วก็ไล่จับไปโทนแต่ผมก็ฟังเข้ามาอีกทีนะครับไม่ได้ฟังจากปากไอ้โทนเองก็เชื่ อ, อยากปากต่อปากก็ไม่รู้ว่าจะจริงเ ท, ท็ตแค่ไหน ชาวบ้านก็อย่างนี้แหละครับบางเรื่องเล่าเริ่มต้นแค่10เล่าต่อมาเรื่อยๆไปๆมาๆกลายเป็นร้อซะงั้นถ้าไม่ได้ฟังจากเจ้าตัวเองมันก็เชื่ อ, อยากแต่กรณีนี้เนี่ยน่าจะมีความจริงอยู่บ้างเพราะไอ้โทนมันไม่คุยกับผมนานเลยครับแต่ว่าตอนหลังมาก็เล่นกันเหมือนเดิมนะครับแต่ก็ลืมถามไปเลยว่ามันเจอมันจริงหรือเปล่าแล้วสรุปมีดิตโตยายของผมก็ไม่ได้คืนหรอกครับเพราะยายก็ไม่ยอมไปเอาเหมือนกันสุดท้ายนางร้านบวบก็ต้องใช้ท่อ PVC ทําแทน ส อ, อาทิตย์ผ่านไปเหตุการณ์ก็น่าจะบานปลายไปมากกว่า น, นี้ถ้าหากว่าปู่มีไม่กลับมาซะก่อนหลวงตาบอกให้แกกลับมาคนเดียวก่อนครับเจ้าอาวาสกับหลวงตายังไม่ได้กลับมาด้วยเพราะว่ามีงานต่อที่กรุงเทพปู่มีกลับมาแบบเงียบๆแกกลับมาก็ทํากิจวัตรประจําวันของแกตามปกติแต่ว่าช่วงนั้นวัดเกือบทั้งวัดไม่มีใครอยู่เลยครับพระหลวงนาหลวงพี่รวมถึงพระบทใหม่ที่เคยจําอยู่ที่วัดนี้มาก่อนก็กลับไปจําวัดที่บ้านบ้าง หรือวัดที่ไกลออกไปบ้างเพราะว่าไม่ได้อยู่ในช่วงเข้าพรรษาครับทำไมอย่างนั้นพระท่านคงจะแย่เหมือนกันถ้าเรามองตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยพระในวัดก็เหมือนเราๆท่านๆ น, นี่แหละครับก็จะมีความกลัวอยู่ในใจบ้างเหมือนกันเนื่องจากพระผู้ใหญ่ที่อยู่ในวัดที่คอยอบรมสั่งสอนดูแลไม่อยู่ทั้งสองรูปเลยปู่มีตื่นตีห้าเข็นรถตามพระไปบิณทบาตแต่เช้าตามปกติแต่แกมาคนเดียวครับ เพราะว่าพระท่านกลับไปฉันอยู่ที่วัดบ้านญาติของท่านกันหมดปู่คงคิดว่าตัวเองสายตามพระไม่ทันแกก็เลยเข็นรถมาในหมู่บ้านคนเดียวพอชาวบ้านเห็นแก้เท่านั้นแหละครับก็เลยมารุมฟ้องเกกันใหญ่เลยว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างตอนที่เกไม่อยู่ผมก็อยู่ในเหตุการณ์ตอนนั้นด้วยครับดูท่าทางปู่มีแก้จะขำขำอยู่ไม่น้อยเลยมีหน้าละ่ะพระถึงหายไปหมดวัดเลยหมาก็หายไปหมดเมื่อสืบสาวราวเรื่องกันเสร็จ ทเที่ยงกเก้ก็พาคนในหมู่บ้านไปที่หลุมฝังศพของบางกระติบครับปู่มีว่าการเอาศพ บ, บางกระติปมาฝังในป่าช้าไม่ได้ทําพิธีให้ถูกต้องตามที่ควรจะเป็นเนื่องจากว่าไม่มีสัปเหร่อ ม, มาฝังให้แต่ชาวบ้า น, นเป็นคนฝังเองบางกระติบจึงไม่ได้อยู่ในความดูแลของนายป่าช้าที่คอยจะควบคุมดูแลวิญญาณและก็ต้องทําการบอกญาติพี่น้องให้รับรู้ด้วยมันจําเป็นที่จะต้องทําเช่นนี้ครับเพื่อให้เป็นไปตามหลักการ แต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าบางกระติบแกไม่มีญาติปู่แกก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ให้ชาวบ้านช่วยกันขุดลงขึ้นมาแกบอกว่าถ้าบังกระติปลุกขึ้นมาเพ่นพ่านหลอกคนได้ง่ายๆอย่างนี้ก็จับมันฝังความน่าซะก็สิ้นเรื่องสรุปก็คือเอาลงบางกระติบฝังความน่าลงดินไว้รอจนกว่าจะหาญาตมาทาพิธีได้คืนนั้นบางก็ทาเรื่องเลยครับไม่ได้เกรงกลัวบารมีของปู่เลย คือหลุมฝังศพของบังเนี่ยก็จะอยู่ไม่ห่างจากกุฏิของปู่มีเท่าไรนักประมาณสัก50เมตรเห็นจะได้ก็เป็นกุฏิไม้เก่าๆคราวนี้ก็ลุงอี๊เจ้าเก่านั่นแหละครับแกก็มาเรียกยายแต่เช้าเลยให้ไปดูปูม่มียายก็คิดว่าปู่เป็นอะไรก็เลยพากันรีบไปดูส่วนผมก็ติดสอยห้อยตามเขาไปด้วยพากันไปถึงป่าช้าท้วัดที่ปู่มีอยู่สภาพที่เจอนะครับปู่ไม่เป็นอะไรครับ นั่งกินหมากสบายใจบนแคร่แต่ที่ลุงอี ต, ตกใจแล้วมาเรียกยายให้ไปดูเนี่ยก็คือกุติที่อยู่ของปู่มีแหละครับมันพังทลายลงมาแถบนึงเลยคือพังชนิดที่ยับเลยนะครับแล้วก็มีโลงศพตั้งอยู่ข้างๆโดยการเอาเสือสีแดงๆ2ผืนของวัดเนี่ยคลุมโลงศพเอาไว้ตอนแรกดูผ่านๆก็นึกว่าศพคนตายมาใหม่ยายก็เลยถามปู่ไปว่าเป็นอะไรยังไงปู่ก็เลยบอกมาว่ามันเล่นกูแล้ว ปประมาทมันไปดูนั่นสิแล้วปูแกก็กชี้นิ้วไปที่หลุมศพ บ, บางกะติบที่อยู่ห่างๆออกไปหน่อยไอหาบางังมันขุดดินมาถอนเสาเรือนกูผมก็มองตามไปที่นิ้วของแกชี้จริงอย่างว่าครับมันเป็นรอยคล้ายทางเดินมาจากป่ารกๆนะครับแล้วถ้าเราเดินบ่อยๆหญ้ามันก็จะตายจะแหวกเป็นทางให้เราเดินเป็น ค, คล้ายๆแบบนั้นแหละครับแต่ว่ารอยนี้มันยังใหม่ๆอยู่เหมือนรอยหญ้าโดนถางออกไปซะมากกว่า แล้วก็จะมีรอยดินกระจุยกระจายอยู่รอบๆทางเลยครับแต่เหมือนถูกกลบกลบฝังฝังไปบ้างแล้วยายถามว่ามันขนาดนี้เลยเหรอแล้วปู่จะทำยังไงต่อไปล่ะปู่ก็บอกว่าขอนอนคิดก่อนสักคืนไม่ได้รีบร้อนอะไรเพราะว่าต้องทำให้เรียบร้อยยายก็บอกว่ากูติพังให้ปู่ไปนอนที่บ้านลงอีทก่อนก็ได้ปู่ก็ตอบทันทีว่ามันพังเรือนกูกูก็จะนอนบนเรือนของมันนี่แหละ แต่ว่าผมก็ไม่ได้อยู่ฟังต่อนะครับเพราะว่าต้องไปโรงเรียนซะ ก, ก่อนลุงอีดขี่มอเตอร์ไซค์มาส่งผมที่บ้านให้มาแต่งตัวแล้วก็ไปส่งที่โรงเรียนตกช่วงเย็นยายก็เล่าให้แก๊งคนแก่ที่มาชุมนุมกันที่บ้านยายเล่าให้ฟังเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อเช้าพอยายเล่าจบก็มีคนหนึ่งถามขึ้นมาว่าแล้วคืนนี้ปู่แกจะอยู่ที่ไหนอยู่ที่ศ า, าลาเหรอยายก็บอกว่าปู่แกเอาเสื่อมาปูนอน แล้วก็นอนบนโลงของบางกรติบเลยครับผมนึกย้อนไปกับเหตุการณ์ที่แกพูดเมื่อเช้านี้ที่แกบอกว่ามันพังเรือนกูกูก็จะนอนบนเรือนของมันมันก็คือโลงศพนั่นแหละครับที่เป็นเรือนของบังกรติบปูป่แกคงไปขุดขึ้นมาแล้วเหรสิมีหน้าละ่ะเช้าของอีกวันคนก็พากันไปที่วัดแต่เชา้าฟังปู่ว่าปู่จัดการเรื่องนี้ยังไงมีคนถามว่าปู่นอนบนโลงมันไม่หลอกเอาเหรอ ปู่แกก็กตอบว่าภาษาอะไรแค่นี้หนักกว่า น, นี้ยังเคยคนอื่นก็ถามปู่ว่าจะเอาอยัางไงต่อปู่แกก็บอกอีกว่าต้องหายาดมันให้เจอแล้วบอกกล่าวนายป่าช้ามันมีวิธีเดียวเท่านั้นจริงๆแต่ญาติของมันไม่รู้เป็นใครนี่สิงั้นมีใครอาสาสมัครเป็นญาติของไอ้กระติบมั่งละ่ะใครที่สนิทกับมันที่สุดพอปู่มีพูดจบ ทุกคนก็มองไปที่ยายประนอมเป็นตาเดียวเลยครับยายประนอมก็คือเจ้าของห้องที่บางกระติ๊บไปเช่าอยู่นั่นแหละครับปู่แกก็เลยหัวเราะแล้วก็บอกว่า <c oughs> เออดีอีประนอมก็ดีเหมือนกันบ้านก็มีให้มันอยู่ข้าวก็มีให้มันกินคงจะเป็นเหมือนญาติมันนั่นแหละยายประนอมเลยได้กลายเป็นญาติของบังกระติ๊บไปโดยปริยาย <c oughs> ได้ยินเก บ, บน่นบนอยู่หน่หนอยๆนะครับว่าผีก็โดนหลอกตังก็ต้องเสียอีก สวยเช็ดเลยปู่ให้ยายประนอมจัดเครื่องไหวในแบบที่เขาทำพิธีแล้วมาบอกกล่าวที่วัดผมก็ไปดูด้วยนะครับตอนที่เขาทาพิธีไหวอะไรเรียบร้อยหลังจากที่ทาการไหวเสร็จแล้วก็บอกกล่าวอะไรกันเรียบร้อยแล้วก็จะมีการเปิดลงศพครับแต่มันก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรเท่าไหร่หรอกครับเป็นศพแห้งๆดําๆเพราะว่าผ่านการเผาไหม้มาแล้วนั่นเองครับแล้วปู่ก็จัดการเอาสิลกับคอน เจาะไปที่กะโหลกของบางกระติบอยากให้ท่านผู้ฟังนึกถึงเรื่องแม่นาคพระขนองแต่การเจาะครั้งนี้ไม่ได้เจาะที่หน้าผากนะครับปู่มีเกจะเจาะเอาตรงบริเวณกลางกระหม่อมแล้วก็เก็บชิ้นส่วนของกระโหลน้นใส่ในย่ามไปแต่ว่าปู่มีจะเอาชิ้นส่วนของกะโหลกตรงบริเวณกระหม่อมนั้นไปทําอะไรผมก็ไม่ทราบนะครับเพราะว่าไม่ได้ติดตามต่ออีกด้วยความที่ตอนนั้นเป็นเด็กก็ลืมไปมานึกได้อีกทีก็ตอนที่มาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังนี่แหละครับ จากนั้นก็ฝังลงบังกะติบตามปกติปู่มีเก๊กเอาของไหว้ไปกินเฉยเลยครับไอ้พวกผมเด็กๆรอที่จะกินหัวหมูขนมต้มขนมถ้วยฟูอะไรแบบนี้แต่สุดท้ายก็อดซึ่งปกติปู่เกจะใจดีนะครับจะแบ่งขนมให้เด็กๆกินทุกครั้งหลังจากที่พระฉันเสร็จแต่คราวนี้แกไม่แบ่งครับเรื่องราวของบังกะิบก็เงียบหายไปพระเจ้าก็เริ่มกลับมาจาวัดเหมือนเดิม สักระยะหนึ่งผมนึกถึงวันนั้นได้ว่าโมโหปู่มากที่ไม่ยอมแบ่งขนมให้พวกผมกินผมก็ไปเปรย์บ่นให้ยายฟังยายก็บอกว่าของนั้นน่ะเป็นของสำหรับให้นายป่าช้ากินเท่านั้นผมก็เลยบอกว่าอ้าวแล้วทำไมปู่ถึงกินได้ล่ะยายก็เลยด่าผมครับอย่าเสียงดังไปสิอนายก็ปูมีนั่นแหละเป็นนายป่าช้าในตอนนั้นผมไม่เข้าใจความหมายหรอกครับ ว่านายป่าช้าน่คืออะไรนึกว่านายป่าช้าคือเจ้าของป่าช้าเหมือนนายทุนเจ้าของเงินเยอะๆอะไรประมาณนี้มากกว่าพอมาทราบตอนหลังเขาก็เล่าให้ฟังว่านายป่าช้าก็คือหัวหน้าผีครับแล้วตัวนายป่าช้าเองเนี่ยก็ต้องเป็นผีด้วยผมได้ยินดังนั้นก็ขนลุกอยู่พอสมควรแต่ว่าปู่มีไม่ใช่ผีนี่ครับจะเป็นนายป่าช้าได้ยังไงหรือความจริงแล้วแกเป็นผีจริงๆใครจะไปรู้ ขอขอบคุณเว็บไซต์พัน c ิปดอทคอมสำหรับเรื่องเล่านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับส r i ร e แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ